เก็บตกเช้านี้ก็จะพูดถึงเรื่องความเปลี่ยนแปลงอย่างปีนี้วัดป่าสุกโตมีความเปลี่ยนแปลงมากเลยตั้งแต่ต้นปีละที่อากาศผิดปกติเคยหนาวหน้าหนาวก็ไม่หนาวหน้าร้อนร้อนเกินความเป็นจริงช่วงเดือนมีนาเมษาเนี่ยร้อนมากอุณภูมิสีองศาขนาดพ้าห่มเลี่ยซักไม่ถึงชั่วโมงมาตากก็แห้งเลยต้นไม้หลายต้นที่อ่อนแอก็ถูกแดดเผาตายไปก็เยอะบางต้นก็รอดคือมีการเปลี่ยนแปลง ช่วงที่เปลี่ยนแปลงมากก็คือลงครัวลงครัวเนี่ยเป็นของคู่สุก็โตมาไม่เคยปิดตอนที่โรงครัวปิดไปแล้วซึ่งอามาไม่สนสาเหตุหรอก็ปิดเพราะอะไรแต่แต่รู้ว่าโรงครัวโงครัวกับวัดป่สุก็โตไป็ของคู่กันพราปิดเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงแบบสุดๆเลยแล้วพระจะบรรษา ก, ก็น้อยลงกว่าทุกปีที่เคยมีมาสมัยก่อนแบบสี่สิบคสี่รูปเนี่ยเขถือเรื่องปกติพรรษา น, นี้เขายี่สิบแปรูปเองถือว่าน้อยิปกติ มันก็ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงเฉพาะวัดป่าสุวัตโตที่ก็เหมือนกันอย่งมาไปเข้าปฏิวาตที่วัดบวรศรีเนี่ยปกติถือว่าเป็นปฏิวาติใหญ่ที่สุดของภาคเหนือเลยนะยัยงตับจะพระเข้าปริวาตจะมีระดับห้าร้อยขึ้น6กเจ็ดร้อยในเรื่องธรรมดาของวัดนี้ปีที่ไปเข้าปฏิวาติก็มีพระเข้าปฏิวาติเนี่ยประมาณสองเองแล้วก็เปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่กิจกรรมที่เคยทําก็ไม่เหมือนเดิมอากาศที่เคยหนาวก็ร้อนไม่หนาวแล้วโลกก็เปลี่ยนแปลง แต่ต่อให้เปลี่ยนแปลงขนาดไหนเดี๋ยวมันก็ต้องผ่านไปไม่มีค ร, ร์มที่จะตั้งอยู่โดยยั่งยืนได้เลยสรรพสิ่งในโลกนี้ทุกแค่ไหนเดี๋ยวมันก็ผ่านไปสุขแค่ไหนเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งเมื่อก่อนก่อนจักการประมาณ900ปีมีกษัตริย์อยู่องค์หนึ่งชื่อว่าโซโลมอนเป็นกษัตริย์ของยิ หรือิสลาเอลเป็นผู้ที่ร่ำรวยมีอำนาจมากแล้วก็มีปัญญามากวันหนึ่งกษัตริย์โซโลโมอนเนี่ยเยปากกับขุนนางที่เชื่อใจได้อะ่ะให้ไปหาแหวนวิเศษวงหนึ่งขุนนางเอ่ยถามว่าแหวนมันวิเศษยังไงกษัตริย์เอ่ยคิดว่าแหวนนี้ถ้าใครเห็นเนี่ยคนที่มีความสุขก็จะเศร้าและคนที่เศร้า มาเห็นแหวนวงนี้ก็จะมีความสุขขึ้นมาอันที่คือความวิเศษของแหวนแล้วก็ให้ขุนนางเนี่ยไปหาให้ได้ภายในหกเดือนขุนนางก็รับปากถ้าแหวนมีอยู่ในโลกเนี้กระหม่อมจะหามาให้พงให้ได้ขุนนางคนเนี้ก็ไปหาแหวนวงเนี้วันแล้ววันเล่าจนเวลาผ่านไปเกือบหเดือนแล้วก็ยังหาแหวนไม่ได้เลยเช้าวันหนึ่งก็เดินไปที่ตลาดเยรูซาเล็มเนี่ยไปเห็นร้านค้าที่เพิ่งตั้งร้านเนี่ยร้านที่เป็นร้านขายแหวนเน่ย คือไปถามพ่อค้าเรื่องเกี่ยวกับแหวนวิเศษเราจะหาได้ยินไหนมีไหมเจ้าของร้านเงียบไปสักคู่หนึ่งแล้วแล้วก็หยิบแหวนทองวงหนึ่งออกมาแล้วก็สลักข้อความบนแหวนนั้นถ้าแปลเป็นไทยก็แล้วมันก็จะผ่านไปขุนนางนั้นได้แหวนนั้นพอใจมากแล้วก็นําไปถวายกษัตริย์โซโลมอนกษัตริย์โซโลมอนพอเห็นหน้าขุนนาง น, นี่ก็หัวเราะเพราะว่าจริงแล้วเนี่ย แกตั้งใจหล่อให้ขุนานางไปหาแหวนเพราะแหวนไม่มีในโลกหรอกแล้วขุนานางดันหาแหวนมาได้ไงแกก็เลยขำขุนานางก็โชว์แหวนให้กษัตริย์โซโลมอนดูกษัตริย์โซโลมอนเนี่ยไปเห็นข้อความในแหวนเนี่ยแล้วมันก็ผ่านไปจากตอนแรกในหัวเราะกลายเป็นเศร้าเลยเพราะพระ อ, องค์รู้ว่าอํานาจปัญญาทรัพย์สมบัติของพระ อ, องค์เนี่ยมันแค่ชั่วครัง้งชั่วคราวนะั้นเดี๋ยว ก็ผ่านไปพ่อโอ้ก็ต้องเป็นเท่าทุเรีไปในที่สุดก็ได้สติขึ้นมาแหวนวงนี้ก็ถือว่มีธรรมะสอดแทรกนะแล้วมันก็ผ่านไปเนี่ยคือความเปลี่ยนแปลงทําให้คนเดี๋ยวทุกก็ทุกได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวกลายเวลาเขาเยียวยารักษาใจคนที่สุขมันก็สุขได้ไม่นานหรอกเพราะเดี๋ยวพราะความไม่เที่ยงกระทำไ้ทุกอะเดีย๋ยวคนถูกหวยหรือถูกรางวาัลได้ของมาดีใจเดี๋ยวก็ต้องเสียใจก็ต้องทุกข์เหมือนเดิม มันจะไปอยู่อย่างเนี้ยชีวิตของคนเราบนโลกเนี่ยโลกธรรมมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุสมีเสื่เสื่มมีดินทาเนี่ยอยู่คู่กับมนุษย์มานานแล้วถ้าใครไม่เข้าใจโลกธรรมก็ต้องทุกต้องยึดต้องแบกต้องจมอยู่ในอารมณ์ที่โลกธรรมทําให้อะโลกธ ร, รมฝ่ายบวกมีไม่เคยเยอะหรอกแต่ส่วนมากเราจะเจอโลกธรรมฝ่ายลบมากกว่าแบบเสื่อมลาบเสื่อมยศถูกดินทามีความทุกเนี่ยจะเจอมากกว่า ไอ้ด้านบวกเลี่ยไม่ค่อยเจอหรอกเจอก็เจอน้อยถ้าเราอยู่กับโลกความฝ่ายลบได้ชีวิตเราก็มั่นคงแล้วก็ทุกน้อยลงได้อันนี้ก็เป็นแง่คิดที่ทําให้เราเนี่ยอยู่กับโลกได้ถ้าเราวางใจเป็นและเข้าใจธรรมะสามารถนํามาใช้กับชีวิตประจําวันได้อันนี้เป็นระดับอยู่กับโลกธรรมนะอยู่กับทางโลกแต่ถ้าระดับสูงๆเนี่ยมันก็มีธรรมะแบบ อีกราบหนึ่งอย่างเรื่องที่จะนำมาเล่าเนี่ยสมัยพุทธกาลมีผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้ก็เป็นชื่อว่าเขมาเป็นมาเหสีของพระเจ้าพิมพิสารเจ้าเมืองบคตพระเจ้าพิมพิสารหลังจากฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุเป็นสวรบั์เนี่ยก็มีจิตสักไฟในธรรมยามว่างก็จะไปฟังธรรมจากพระพุทธองค์เสมอที่ป่าเวรุวัน ซึ่งวัดเป็นรูปวันเนี่ยเป็นวัดแห่งแรกของของโลกนะแต่ว่าที่พระองค์สร้างขึ้นมาเป็นสวนภัยพระนางเขมาเนี่ยเป็นคนที่สวยแต่นางก็ไม่อยากไปฟังธรรมกับพระพุทธองค์ต่อให้สามีพระชวามีชวนไปก็ไม่ยอมไปฟังธรรมเพราะว่าทราบข่าวว่าพระพุทองค์เนี่ยชอบพูดถึงความไม่เที่ยงความเสื่อมไปของสังขารเมื่อจะเป็นเวทนา สัญญาสังขารไม่เที่ยงเสื่อมถลายไปเงี้ยนางฟังแล้วรู้สึกว่าเหมือนตําหนิเพราะนางได้ลหลงไหลในรูปตัวเองมากเพราะนางเป็นคนสวยแต่และวันหนึ่งก็ไปจนได้สามีใครขยอให้ใบฟังธรำพระพุทธองค์คือพระองค์อย่างรูุ้่นญาณเนี่ยกัที่พระนางเขมาฟังธรรมพระ อ, องค์ก็เนรมิตนางอับสรให้มาพัดอยู่ข้างหลังพระองค์เ่ย ไม่มีใครมองเห็นนะมีนางเขมาเห็นคนเดียวพระนางเขมาเห็นนางอับศรเด้อก็ย้อนมาดูตัวโอ้โหนางอับศรสวยขนาดนี้สวยก็เราอีกเราคิดว่าเราสวยที่สุดแล้วสวยสู้นางขับศรไม่ได้พระโด่ทราบด้วยยานก็ค่อยทําให้นางศรเปลี่ยนไปเป็นเด็กเป็นเด็กแล้วก็เป็นคนโตเป็นเป็นสาวแล้วก็เป็นคนวัยกลางคนเป็นคนแก่ แล้วก็แก่กงอมร่างกายค่อยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไ ป, ป, นไปผมก็หงอกฟันก็เริ่มเหยินหน้าผิวหนังก็เหี่ยวแล้วก็ล้มตายไปต่อหน้าต่อตาพระนางเขมาเนี่ยนางโก็เห็นแล้วก็สลดใจได้คิดเลยว่าสังขารเนี่ยมันไร้าสาระก็เลยยินเสียงแว่วจากพระองค์ธรรมะเป็นโลกว่า เขมาร่างกายอันอาดูนี้มีการเปลือยเน่ามีช่องทางไหลออกทั้งข้างบนและข้างล่างอันขนพานเนี่ยพากันหลงไหลอยากครอบครองชื่นเสียงพระดํารัตเนี่ยนางก็เกิดดวงตาเห็นธรรมเป็นโสดาบันปฏิผลหลังจากนั้นนางกับพี่นาตาอีกพระพุทธองค์ก็ส่งกระแสดํารัตมาอีก ว่าสปปรรพสิ่งไม่เที่ยงไม่มีความยั่งยืนเกิดขึ้นแล้วก็ต้องเสื่อมสลายไปในที่สุดเหมือนเช่นผู้หญิงคนเมื่อคู่จากเด็กแล้วก็ตายไปที่สุดพนางเขงมาตอนแรกได้ไป็นโสดบันอยู่แล้วก็น้อมจิตไปตามพระบรมลาชของพระโดองค์เนี่ยชนเกิดได้เป็นพาาาระอรหันต์เลยแล้วก็บวชเป็นพิจุนี เป็นเอตะคทะในด้านที่มีปัญญามากอันที่การเปลี่ยนแปลงที่ฉับพลันแล้วนางเองกคาดไปถึงว่าฟังท้าพังเดียวชีวิตเปลี่ยนไปเลยออกจากกองทุกได้เลยแล้วมีอีกเรื่องหนึง่งเรื่องนี้ก็เปลี่ยนแปลงรุนแรงเหมือนกันที่แควอภโกศลมีอมัดอยู่คนหนึง่งสามารถปรับกระบทได้พระเจ้าประสิทธิโกศลเนี่ยจึงมอบตําแหน่ง พระราชา 5, ให้เจ็ดวันให้ครองลาาแทนพระองค์เลยถือว่าเป็นความดีผมชอบจึงตอบแทนที่ลบชนะสันตติอมาดเนี่ยหลังจากได้ครองล่าเจ็ดวันเนี่ยก็เต็มที่เลยเพราะความสุขเจ็ดวันเนี่ยมันสั้นกเลยกินเล่าอย่างดีแต่งตัวอย่างรู้แล้วก็มีผู้หญิงมาลํำฟอ้อนต่อหน้าคือเสพสุขครบทางตาท้งหูทางปาก ครบเลยเต็มที่กับกิเลสคือเป็นแล้วแกก็เมาทุกวันจนวันที่7เนี่ยก็จะไปที่สะเพื่อไปส่งน้ำระหว่างทางก็สวนทางกับพระพุทธองค์ที่ไปเลยมิธาาทธบัติบทสัตว์กับพระอนุนสันติยมารเห็นพระพุทธองค์เนี่ยก็ทาําเาเคารพแล้วก็จากไปพระพุทธองค์ก็แย้พระสวนจนพระอนุนสังเกตเห็นจึงเอ่ยถาม ว่าข้าแต่พระ อ, องค์ผู้เจริญพระ อ, องค์ย้ำสวนเรื่องอไรหนอนอนานนเธอเห็นสันติอามาตไหมเห็นพระเจ้ากรสันติอามาตวันนี้แหละจะมาหาเราที่สํานักแล้ฟังธรรมจากเราสี่สี่บทก็จะบรรลุเป็นพาระลาหัน์พระดํารัตของพระทุก อ, องค์เนี่ยก็เข้าไปถึงหูของคนอื่นด้วยของประชาชนทั่วไปนอกจากพระโนนเนี่ยคนที่เป็นสามาทิธที่ ขารบในพุทธศาสนาก็ยินดีกับสันตติอมาตที่จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นะแต่ส่วนที่เป็นวิชาทิฏฐิเป็นพวกนอกนอกรีดอะก็จะจับปิดพดุะโอ่งไงว่าผู้จริงหรือคนที่เบาอย่างสัน ต, ติอมาตย์เนี่ยจะบรรลุธรรมได้ยังไงไม่เชื่อแล้วคอยจับตาดูตลอดเพราะฉะนั้นหลังจากที่สันติอมาตเนี่ยส่งน้ําเสร็จก็กลับมา กินเหล้าเหมืเดิมแหละกินเหล้าอย่างดีแล้วก็ให้นางนางรำมาบำรรณต่อนางรำเนี่ยบำมาเจ็ดวันแล้วนะร่างกายไม่ได้พักผ่อนมาบริการเพื่อให้สันติอามาตมีความสุขร่างกายของนางเนี่ยก็ทนไม่ไหวล้มตายลงไปต่อหน้าสันติอามาตนี่แหละนี่สร้างความตื่นตระหนกและช็อกกับสันติอามาตมากหายเมาไปปิดทิ้งเลยแล้วเกิดความเศร้าใจขึ้นมาแทนเพราะว่า คิดว่าตัวเองเนี่ยไปเหตุให้สาวงาวคนนี้ี่ต้องตายเศร้าโศกเสียใจมากมารรลุธรรมยไงนึกขึ้นมาได้ว่ามีแต่พระพุทธองค์เท่านั้นแหละที่จะบรรเทาความทุกข์ของเราได้จึงเดินทางไปหาพระพุทธองค์คัดเจอพระพุทธองค์เนี่ยพระองค์ก็ทราบด้วยยานว่าสันติอามานเนี่ยมีอินทรีย์แก่กล้าสามารถบรรลุธรรมได้ พระ อ, องค์จึงตัดสโลกสั้นๆว่ากิเลสเครื่องวนใดที่มีมาแต่ก่อนเธอจึงละกิเลสเครื่องวนนั้นเสียกิเลสเครื่องวนใดอย่าได้มีกับเธอในภายหลังถ้าเธอไม่ยึดมั่นถือมั่นในขันในถ้ำกลางเมื่อ น, นั้นเธอจากเที่ยวไปไหนได้อย่างสงบระงับหลังจากจบพัฒนาเนี่ยสันติอมาเนี่ยกบลุธรรมเป็นพระอรหันต์เลย ถือว่าบรรลุธรรมได้เร็วนะมีสีแก่กล้าน้องน้องพระพิยะแล้วจากบรรลุธรรมแล้วก็แบบพวกมิจฉาทิฏฐิเนี่ยก็ยังไม่เชื่อนะพระพุทธองค์ก็เลยให้สัตยธรรมเนี่ยไปแสดงให้ดูเพราะว่าตัวสัติอรรมก็รู้ว่าตัวเองจะเล่าตายวันเนี้ยจะต้องนิบพานวันนี้ที่มากราบทูลลาพระพุทธองค์คือสัติอรรมเนี่ยเป็นพระอรหันต์ที่มีปฏิสัพพิธานะมีฤทธิ์ด้วยจึงเหาะขึ้นไป อยู่สูงระดับพื้นดินระดับต้นตาเนี่ยแล้วก็เอ่ยถึงบุตรบุพกรรมที่ทําให้ตนเนี่ยถึงได้เป็นแบบนี้เมื่อสมัยพระเจ้าวิปัสสีเนี่ยทั น, นติย ม, มาศเนี่ยเป็นคนชักชวนพวกคนทั่วไปเนี่ยให้มาถือศีลฟังธรรมถือศีลบนสดเข้าวัดเนี่ยคนแล้วคนเล่าจนรู้ไปถึงเจ้าเมืองเจ้าเมืองเนี่ยก็ให้มาให้ช้างเลยให้ไปตามคนมาเข้าวัดฟังธรรม มาถึอศีลอันนี้เป็นที่สง์ในจีนละชาติก็ไก่โพสน่ะเพราะพระพุทธองค์ยแ ต, แต่ละพระองค์เนี่ยกว่าจะเกิดได้แต่ละองค์เนี่ยโอ้ทิ้งช่วงนานมากเลยไปกลับไม่ใช่ไม่ใช่เวลา น, น้อยนะหลังจากฉันเสีอามาร์ทเอ่ยขุมบุปกรรมแล้วก็เข้าเตโยทาตแล้วแหละทําให้ไฟลุกไหม้ตัวเองแล้วศีระก็หายไปกลายเป็นพระธาตุแล้วก็ทําให้คนที่ไม่เชื่อเกิดศรัทธาขึ้นมา อันนี้เป็นเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงเรื่องสันติธมามนี่จะทำให้คนทั่วไปเนี่ยเข้าใจธรรมะอีกแบบหนึ่งนะเพราะว่ามันไม่จําเป็นจะต้องถือศีลแต่งตัวแต่งตัวปอนปอนแต่งตัวแบบละเอียดประอยคนที่แต่งตัวทรงยศหรูอย่างสันติธมามก็บรรลุธทำได้ถ้าอินทรีย์แก่กล้าถ้าถึงพร้อมแล้วนะเจอพระพุทธองค์เนี่ยเปลี่ยนแปลงได้หมดเลยไม่จำเป็นยาจกเศรษฐีพระราชาเนี่ยสามารถบรรลุทำได้หมด ช่วงที่พ่อองค์งแสดงธรรมเนี่ยจิตน้อมตามและอินทรีย์ถึงพร้อมวันที่ก็เล่าสามเรื่องเล่าเรื่องกษัตริย์โซโลมอนพระนางเข ม, มาสันติตาอมาัดช่วงนี้เป็นช่วงที่น้อมันรู้ถึงครูบาอาจารย์คือหลวงพ่อมเขียนช่วงนี้เป็นช่วงวันเกิดเพราะหลวงพ่อเกิดวันที่สิบสองหลวงพ่อรู้อยลรักษาขายวันที่ยี่สบสามเมื่อตอนตีห้าเนี่ยเป็นช่วง วันเกิดและ ว, วันตายใกล้กันเลยวัดป่าสมุทรโตก็มีกิจกรรมให้น้อมเราลึกถึงบุญคุณของหลวงพ่อหลวงพ่อก็ชอบป่าบางทีบางที2ีสองทีสามรถน้งต้นไม้ก็มีเลยเพราะหลวงพ่อเป็นคนชอบรถน้รถน้ำต้นไม้เที่ยามาสังเกตยอยู่เพราะมาเห็นกระตาตัวเองเมื่อก่อนเคยไปนอนกลางเต็นที่ผินโค้งเนี่ยเห็นหลวงพ่อตื่นขึน้นมาดึกๆึมารถน้ำต้นไม้หลวงพ่อเป็นคนรักต้นไม้มากอย่างวัดผู่หอทองเนี่ยรัฐพระไปรถน้ํำไปหลวงพ่อดู แต่คำสอนของหลวงพ่อที่เป็นหลักจริงๆแนหะก็คือความรู้สึกตัวหรืออื่นเป็นเรื่องรองหมดเลยหลวงพ่อจะพูดถึงความรู้สึกตัวช่วงหลังเนี่ยนมาก็ทําเสียงหลวงพ่อเขียนในเวอร์ชั่นตัดแต่งใหม่ที่เข้าใจคําสอนที่หลวงพ่อสอนเมื่อก่อนเราก็ไม่เข้าใจนะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยใจเราฟังแล้วเราก็ไม่เข้าใจหรอกพอตอนหลังเนี่ยฟังไปก็เหมือนไปไปตามคําพูดของหลวงพ่อเนะ่ยเข้าใจแบบลึกซึ้งเลยแหละไม่ใช่เป็นอารมณ์รูปนาม หรือคําสอนต่างๆเห็นไม่เปอะไรกับอะไรเปลี่ยนหลงเป็นรู้ไม่เอาผิดไม่เอาถูกไม่ด่วนรับไม่ไม่ด่วนปฏิศเสธรู้ซื่อๆ อ, อย่างคาสอนรู้ซื่อๆเนี่ยคนทั่วไปฟังก็จะงงรู้ซื่อคืออะไรรู้ซื่อคือเราไม่ไปบิดเบือนความคิดปรุงแต่งสมมุติเราเรารู้ว่าเราคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่วิาพากษ์วิจารณ์ต่อเห็นแล้วจะดับไปเลยแต่ถ้าคนเห็นรู้ไม่ซื่อเนี่ยมันก็คิดว่าเอ้ยเรีอกความคิดเนี่ย มีเหตุโน่นมีเหตุนี้เป็นไปต่อไงมีวิาพากวิจารณ์แต่คนเห็นปุ๊บมันจะดับไปเลยนะเพราะว่าถ้าเราเร า, าพิพากษวิจารณ์ต่อเนี่ยเรามาไกลแล้วเข้าไปในโลกความคิดปรุงแต่งเห็นแล้วมันดับทันทีเลยแล้ตัวสติตัวความรู้สึกตัวเนี่ยมันเร็วแล้วมันไม่มีภาษาพูดด้วยบางทีเรามาสื่อกันเนี่ยใช้ภาษาพูดมันก็ไม่ใช่คือมันไม่ใช่ของจริงไงแต่เราก็ต้องพูดไงคือของจริงเนี่พูดไม่ได้ของไม่จริงพูดได้ ถ้าเราเข้าใจความรู้สึกตัวเนี่ยเราก็จะรู้จักรู้จักตัวเองมากขึ้นพอรู้จักตัวเองเราเข้าใจคนอื่นด้วยแหละว่าคุณสุดทา้ายเป็นอย่างนี้คนที่มีปัญหาส่วนมากจู่ในโลกจะจมอยู่ในโลกอวามคิดปรุงแตง่งจมอยู่ในอารมณ์ออกมาไม่ได้หรือแม้กระทั่ยึดมั่นถือมั่นอะไรสักอย่างเนี่ยถ้าไม่ยึดเนี่ยมันก็ออกมาได้ถ้ายึดจะออกไม่ได้หรอกในตัวกูของกูหรือแม้กระทั่ยึดในตัวกูของกูคนอื่นอ่ะยึดในรูปนามคนอื่นรูปนามตัวเองก็ยึดด้วยรูปนามเขาอีกก็ยึดพอยึดแล้วก็หวง อยากจะครอบครองแต่เพียงพูดเดียวหรือทรัพสมบาติหรือทุกอย่างแหละมีปัญหาหมดแหละอยู่ที่ตัวตนอัตลากั้นเลยถ้าเราบองดีๆอ่ะพราะเราเห็นตัวเนี้เราก็ไม่ยึดถืออะไรเกิดขึ้นเราก็ยอมรับการเปลี่ยนแปลงไปไม่ยึดไม่ยึดบั่นถือมั่นแม้แต่งานนี่แหละงานเนี่ยคนไม่เป็นก็จะยึดนย่งงานกูนะใครแตะไม่ได้นะถ้าเราเข้าใจเรามาเนี่ยเราพร้อมจะลาออกพร้อมที่จะย้ายที่อยู่ ถ้เกิดเหตการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ยึดที่ไม่ยึดไม่ยึ ด, ย ด, ยดกับสิ่งที่เราจมเรียกชอบเพราะสิ่งเหล่าเนี้ยสังกวันมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปว่าป่าสุโกโตก็ต้องเสื่อมไปเรื่อยๆื่เดี๋ยวหลวงพ่อไปสาก็ต้องตายพอตายปุ๊บเนี่ยเราบอกว่าก็พังหมดซึ่งคนที่อยู่วัดเนี่ยโดยพึ่งหลวงพ่อเนี่ยก็จะไม่รอดเพราะท่านไม่เที่ยงอยู่แล้วเราไปพึ่งสิ่งที่ไม่เที่ยงแต่ช่วงที่ท่านมีชีวิต อ, อยู่เราก็ทําประโยชน์ให้มากที่สุดแล้ะประโยชน์ประโยชน์ท่าน พอธารสังขารไปพอป่าสุกโตค่อย เ, เสื่อมไปเจ๊งไปตามกาลเวลาเราก็ต้องแยกย้ายจากกันไปตามเหตุตามปจัจจัยะไม่มีอะไรยึดได้เลยไม่จะวาดเป็นบุคคลต่างๆสิ่งแวดล้อมเนี่ยสมัยก่อนที่สะ ก, ก็มีดอกบัวงามๆดอกบัวหลวงให้เราได้ชื่นชมกันเดี๋ยวนี้ดอกบัวก็ไม่มีละหายหมดไม่เหลือแม้แต่ดอกเดียวลรบางอย่างอย่างลรกระเด็นเคยมีเมื่อก่อนนี้ก็ไม่มีละหรือสัตร์หลายอย่าง งูจงอางเมื่อก่อนเคยเยอะเดี๋ยวนี้ก็หายากร่ป ง, งูต่างๆเมื่อก่อนเนี่ยวัดปา่าสูงโตเป็นโดงงูเลยเดี๋ยวนี้งูก็ไม่เคยมีสัตว์ต่างๆก็หายไปต่างกาลเวลาสัตว์อื่นเข้ามาแทนสมุนไพรเมื่อก่อนฟ้าไทโจนเยอะแยะหมดเดี๋ยวนี้ฟ้าไทโจนก็หายไปแล้วไม่มีถูกดินฟ้าการ์ดทําลายไปนั้นเราอยู่กับความไม่เที่ยงเลาอยู่ไงให้เราไม่ทุกข์ทุกข์ก็ทุกน้อยที่สุดโดยไม่ยึด ธรมาก็มีตรงนี้แหละมีตรงที่ว่าเราต้องมายึดบั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นอนหนจังทุกขังหน้าตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ตับไปเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องป่วยต้องพลาดพลาดจากของรักของชอบใจอย่างธรรมะตอนเช้าที่เราสวดมนต์เนี่ยธรรมะเช้าเนี่ยประเด็นสำคัญก็คือถ้ า, าตั้งใจสวยดีเราจะเข้าใจอยู่จุดหนึ่งจะมีเรื่องขันห้างไงขันห้าหเฉยยังไม่ทุกหรอกแต่ถ้ามีอุบทารเมื่อไหร่อ่ะจะทุกันทีเลยถ้าเรายึดขันห้างนะ แต่แล้วไปยึดขันห้าทำหน้าที่ไปมันก็ไปทุกมันจะปุงแต่งก็ปุงแต่งไปแต่แล้วปุงแต่งเป็นตัวกูเมื่อไหร่นะมันจะมีเรื่องทุกตามมาเพราะว่าตั้งอยู่ไม่ได้มันไม่เที่ยงฉะนั้นอุปาหันห้าจึงเป็นตัวทุกถ้าเราไม่ยึดถือขันห้าเนี่ยไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ผ่านไปดับไปเนี่ยความทุกข์เราก็น้อยลงแล้วเรายอ ม, มรับความจริงของโลกโลกก็ทําเป็นอย่างนี้ ธรรมะไปอย่างนี้ธรรมชาติของเราไปอย่างนี้เดี๋ยวเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราไปหวังอะไรกับโลกนี้สมบัติหามาได้เดี๋ยวก็เป็นของคนอื่นไม่ใช่ของเราหรอกสมบัติผากกันชมอำนาจได้มาเดี๋ยวก็เสียไปเป็นคนอื่นอีกไม่มีใครรักษาอำนาจได้ตลอดงานก็เหมือนกันคนมีปัญญาเนี่ยก็เหมือนกับกินเบ็ดแล้วคายกินเหยือ่อแล้วทิ้งเลยแต่คนไม่มีปัญญาจะยึดกินเข้าไปถ้ากบแล้วกินเข้าไปถึงท้องเลยนะเหยื่อของโลกเนี่ยมากเหลมายม่มหาศาลเลย ถ้าคนทั่วไปจะกินแล้วกินแบบชนิดว่าก้างเบ็ดติดคอเลยทุกเจียนตายเพราะความยึดมั่นถือมั่นมโยอรับะความเป็นจริงของความไม่เที่ยงถ้าเราเห็นตัวนี้เนี่ยเราก็กินเหยื่อนิดหน่อยแล้วเราก็ทิ้งไม่เอาละสาระก็มีก็ใช้ได้แต่ไม่ยึดชื่อเสียงก็ทํามีก็มีไปแล้วก็ใส่เป็นทาประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอะไรเงี้ยก็อยู่แบบชีวิต ง, ง่ายๆอันว่าพูดมาเห็นว่าสมมติ เ, เวลานะ วั น, นี้ก็พูดถึงเรื่องความเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็ผ่านไปคําว่าแล้วมันก็ผ่านไปเนี่ยสามารถใช้กับชีวิตจําจวันได้นะถ้าใครมีความทุกข์ใจมากๆเนี่ยพอแล้วมันก็ผ่านไปเจอปัญหาเรื่องลูกและสามีเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยแล้วมันก็ผ่านไปก็ทุกข์ก็น้อยลงเอหวัง